ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยครกายเพื่อนสารมีรทุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีและญาติธรรมทุกท่านก็นั่งกันสบายๆเนะะาะทั้งนี้ก็ไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าแต่กรุงเทพว่าฝนตกเยอะมากนะเนาะกำังนึกเอ๊ะจะตกหรือเปล่าแต่ดูพื้นดินมันเหมือนกับมัน แห้งๆนะก็คงจะไม่ค่อยมีฝนตกนะบางทีก็นั่งนึกเบ่อยๆว่าทำไมกรุงเทพก็ไม่ต้องการฝนมากมายนะเพราะว่าฝนตกแล้วต้องรถติดอย่างติดยวเย้าเหยียดนะติดกันนานแล้วก็คนลำบากมากแต่คนชนบททั่วๆไปนะโดยเฉพาะภาคสาเนี่ยอะอยากให้ฝนตกเยอะๆแต่ก็ไม่ค่อยจะมาตกเนาะ อืมก็บางทีเจอผลก็นึกอย่างนี้บ่อยทําไมมาตกกรุงเทพบ่อยทำไมไม่มาต ก, ตกทางอีสานบ้างหรือตกก็เล็กน้อยเนาะตอนหลังก็ระวางใจว่ามันนาบางทีแม้แต่วัดเราก็เหมือนกันนะบางทีเห็นคลึมคลึมมาอ่ามันก็จะตกนะ้ำมืด <c oughs> มืดเลยก็ก็รู้สึกดีใจเนาะจะตก แต่พอจริงๆแล้วก็เมฆหายไปหมดะรสว่างจ้าอีกครั้งหนึ่งเนาะหรือตอนเช้าเมื่อกี้มาก็เออมันก็มันก็มีพรมพรมนิดๆนะ อ, อก็นั่งนึกว่ามันน่าจะตกนะ อ, อมันก็เงียบๆไปกแล้วมันก็เงียบไปตอนนี้ถ้าฝนตกในขณะเทเสก็ยังดีใจมา ก, กว่าที่มันฝนไม่ตกเลยนะเพราะจริงๆใหญฝนตกได้เยอ ะ, ะ <c oughs> เพราะว่าการการเกษตรส่วนใหญ่ก็จะได้อ่ามีความอ่สบายแล้วก็ อ่จเจริญเติบ โ, โตนะในเรื่องการกเกษตรนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าสําคัญกับชาวบ้านมากอืเพราะชาวบ้านนี่เขก็ใส่การกเกษตรเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพเท่านั้นเองเขาก็ไม่มีอาชีพอย่างอื่นมากมาย <c oughs> เนี่ยคราวนนี้ก็สิ่งนั้นก็เห็นว่าเออผลฟ้ามันเป็นแบบนั้นเองนะเราก็บังคับเลยก็ไม่ได้เลยอืมอมอ ม, มันก็มือนก็จิตใจคนเรานะมันก็คล้ายๆผลฟ้านี่แหละมันก็บังคับไม่ได้ เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะอารมณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลไปทั้งวันนะตรงนี้มันเป็นธรรมชาติของใจจริงๆนะเราจะไปบังคับอะไรเขาก็ไม่ได้เลยนะเราไม่น้าที่เพียงแค่รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเท่านั้นเองเนะาะการปประธรรมแล้วคือเราอ่านะรู้ก็ไปบ่อยนะเราไม่ต้องไปอะไรกับเข้ามาก <c oughs> เนี่ยบางทีเรามีความคิดมากมายนะในการบัติธรรมอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ถูกต้องนะเราก็คือความคิดนันก็มีสองอย่างก็คือความตั้งใจคิดนะเราคิดว่าเราจะทำอะไรไปเดี๋ยวตอนเย็นจะทำอะไรตอนเช้าจะทาอะไรหรือว่าวันอื่นๆจะทำอย่างไรอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้คือมันตั้งใจคิดแล้วก็ไม่หลงหรอกน้ะ แต่สิ่งที่มันไม่ตั้งใจคิดนี้ก็มีมากมายมันก็เข้ามาเ <c oughs> ข้ามาบ่อยๆนะเข้ามาบ่อยๆการ น, นี้เราสมัยก่อนที่เราไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกเออมันก็มีความคิดไว้เรื่องธรรมดาแล้วก็ไปช่วยเขาคิดนะคิดยาวๆคิดยาวๆเลยถึงไม่ช่วยเขาคิดก็ก็คิดอยู่แล้วก็คิดมันเข้าอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะอันนี้คือความเคยชินที่ว่าเราอ่เราหลงเข้าไปในความคิดนะ หลงเข้าไปในอารมณ์ต่างๆเพาะความคิดมันก็นําอารมณ์ต่างๆมาให้เราว่าเราก็จะมีทุกข์จากความคิดนี่แหละความทุกข์ที่สมัยก่อนเราจะมีความผิดหวังความน้อยใจความเสียใจในเรื่องตนะ่างๆเนาะหรือว่าใครก็มาดินทามาว่าเรามีความไม่พอใจมันก็จะเข้ามาอยู่บ่อยๆนะหรือแม้แต่อารมณ์ต่างๆที่เราเคยชอบใจมาก่อนอความรักความพอใจ บางทีไปเที่ยวที่ไหนนะหรืออะไรสนุกสนานแล้วก็มาคิดมันก็วนไปในในความสุขต่างๆก็มีนะอะความสุขความทุกข์มันก็วนเข้ามาในใจเราอยู่เรื่อยๆนะสังเกตดูมันมันไม่ได้อ่ามันไม่เคยรู้ทันหรอกนะอนาคตก็วนเข้ามานะความมีตกกังวลก็้วนเข้ามาหรือเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นเป็นยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศนะ อีกสักสองเดือนจะไปเนี่ยตอนนี้ก็มีความสุขแล้วาวางแผนเราจะยังไงไปเที่ยวที่ไหนนะอจะเดินทางอย่างไรนะมีความสุขแล้วนะหรือไม่ก็มีความกังวลไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็เป็นเรื่องนําความสุขความทุกข์มให้เราทั้งนั้นเลยซึ่งตรงนี้มันก็คือเรื่องของจิตใจคนทั่วไปนะมันก็เกือบร้อยอร์เซนก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคิดบนไปในลบ ต, ต่างๆนี่แหละนี่คือความเคยชินของจิตนะ ครั้นี้พวกนี้มันก็ไปสร้างภพให้เรามากมายนะบวชเข้าไปในความคิดนะอดีตอนาคตนําความสุขความทุกข์ความกังวลความน้อยใจความเศร้าความเสียใจนะพวกนี้มันนำนำแต่ความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นนะนำภพนาชาติาให้เรามากมายนะตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ียกว่าเราไหลเข้าไปในความคิดนะเพราะครูบาอาจารย์เขบอกว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะนะตรงนี้ก็คือเปลี่ยนนิสัยเข้าใหม่นะเปลี่ยนอุป อุ ป, ปนิสัยอืจากที่เขาเคยหลงอยู่เป็นประจานี่แหละต้องฝึกเขานะคือการที่เขาหลงเนี่ยเราไม่ต้องฝึกก็เลยนะก็เป็นก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครั้นี้คน ท, ทั่วไปเขาก็ไม่เคยมาฝึกเขาก็รู้สึกมันก็ดีนะสนุกดีนะบางทีคิดใไปมีความเศร้า บ, บ้างมีความทุกข์บ้างเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็มีความสนุกดีแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นการขอพบขอชาตินะมันมีไม่มีทิ้งซึ่งสูงสุดนะในการขอพบ่อชาติเนี่ยมันยาวเยี่ยนเนาะ ตรงนี้มันเป็นอันตรายกับคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติธรรมครนี้เราก็กลับมาอยู่รู้ใหม่นะออมาฝึกใจเราใหม่เพราะใจเรามันฝึกได้ใช่ไหมมันไม่ยากฝึกไม่ได้หรอกกลับมารู้บ่อยๆมีความคิดก็อย่าไปให้ค่าเขากลับมารู้รู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวน ะ, ะครูบาอาจารย์ท่านให้กลับมารู้สึกตัว <c oughs> เพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะมันคิดไหลไปหลงไป อมีลมต่างๆความรักความโกรธเกิดขึ้นก็กลับมารู้สึกตัวแค่นี้เองให้กลับมากลับมารู้สึกตัวนี่แหละไม่ได้กลับไปไหนอกลับมารู้สึกตัวหรือกลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่กําลังอ่าในกายอะไรใจกําลังทำอะไรอยู่ก็กลับมารู้ในปัจจุบันนี่แหละตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะก็คือกลับมารู้ว่าขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนรู้ไหมขณะนี้ดื่มกินพูดคิดรู้ไหม <c oughs> กำลังทําอะไรอยู่ก็รู้ในตรงเนี้ยก็คือกลับมารู้สึกตัวนเองนะกลับมาได้บ่อยๆนะ <c oughs> จิต <c oughs> จิตนี่มันก็ฝึกได้ฝ <c oughs> ึกได้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยกลับมานะเขาก็ไปยาวน่ะไปยาวเพราะเราไม่รู้ว่านี่มันมันไม่ดีนะมันไม่ดีเพราะคนส่วนใหญ่นะน่าสงสารนะเขาไม่รู้มันไม่ดีนะมันไปกอบพวกพ่อชาติเขาไม่รู้หรอกเอาคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ดีเหมือนกันก็สนุกสนานเพลิดเพลินไป หรือบางทีก็มีความทุกข์บ้างเขาก็รู้สึกมันก็ไม่เป็นไรก็าเบาทนได้แต่มันมันเป็นอันตรายเพราะมันไปกาะพบก่อชาติใหม่นะต้องไปเวียนใบไตเกิดน้ำปมนับชาติไม่ท้วนงอารมต่างๆนี่เป็นความยึดติดนะเป็นวัฏจัเป็นความเป็นตัณหาตัณหาเนี่ยมันเป็นปัจจัยกาะพบก่อชาติไปนะมันคนไม่รู้กันนะก็ไปบ่นอยู่ในตัณหานี่แหละอตัณหาก็คือประฏานคือความยึดติดยึดมั่น นะในตัวเราเองบ้างในบุคคลต่างๆบ้างในอารมณ์ต่างๆบ้างมันก็ไปเกิดก่อบพบก่อชาติน่ะอยู่แล้วนะไปเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนนะแต่มันก็ก่อบพบก่อชาติในใจเราก่อนนั่นแหละะเป็นเปตอาุรกายสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์ใจชั้นอยู่ในใจเราอยู่แล้ว น, <c oughs> ม น, นะมนุษย์สเปโตมนุษย์สติเลชานโนอ่ามนุษย์เนรยาโกนะอันเนี้ยมันอันตรายเนาะ อันนี้ถ้าเรารู้ทันในใจเราอยู่เรื่อยๆมันไปกรอปุบกรอชาตดไหมวันนี้เราเป็นเทวดาไหมวันนี้เราเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์รบไหมเนี่ยรู้ทันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆสั้นลงนะมันเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อในใจเรามันสั้นลงการกรอบปุบกรอชาดยาวๆมันก็เลยสั้นลงไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ไปมันไม่ต้อไปกรอบปุบยาวๆนะมันมันตรงนี้มันถึงว่าเราสามารถตัดวิบากกรรมนะหรือว่าตัดปุ๊บ ตัดภพตัดชาติได้ก็ในปัจจุบันนี่แหละมเมื่อมันสั้นลงแล้วมันก็ไม่ไม่ต้องไปต่อยาวครับอันนี้ตรงนี้ก็คือเรามาเจริญสติกันในปัจจุบันนี้กลับมารู้สึกตัวให้ได้นะกลับมารู้สึกตัวตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งยากเลยนะมันอย่างสมัยก่อนเมืนะ่อสักห้าหกสิบห้าหกสิบปีก่อนเนี่ยการปฏิธรมันจะยากกว่านี้เพราะว่ามันมันไม่ได้ไมีหมีแนวเจริญสติเข้ามามากมายนะสมัยก่อนมีน้อยมาก แม้แต่หลวงประเทียนนี่จริงๆก็เพิ่งจะเริ่มมาสักประมาณห้าปีเท่านั้นเองพรหลวงประเทียนท่านก็ท่านก็เข้าใจทำในปี 2,500 ้าพอดีนะและ้วท่านก็เริ่มเผยแผ่ทำมาเมื่อประมาณ 2,500 ันอเท่านั้นเองเนาะเพราะในยุคก่อนนั้นการเจริญสตินเนี่ยมีน้อยมากะส่วนมากจะเป็นแนวสมถะกันเป็นส่วนใหญ่ออืก็คือเมื่ อ, อเข้ามาวัดปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าในการนั่งสมาธิก็เป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ตามที่ต่างๆแม้แต่ในสถานที่บวชธรรมหรือตามโรงเรียนก็จะพูดเรื่องสมาธิเป็นหลักสอนเรื่องสมาธิเป็นหลักนนี้มันก็เลยการฝึกสมาธิมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่มันมันเป็นสิ่งเล่นช้าเพราะเมื่อใจมันไม่ได้เดินปัญญามันก็จะช้าแล้วมันก็เช่ามันจะไม่เดินมีปัสนามันก็กลายเป็นสมาธิติดนิ่งๆเฉยๆสงบเท่านั้นเองมีแต่สงบก็ไม่สงบมันก็ติดอยู่แค่นั้นมันไม่ได้เดินปัญญาไม่เห็นปัตติรัก นระตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ว่าเนิ่นช้า <c oughs> อืมย่างเมื่อสักเมื่อวานนี้ตอนเช้าทางได้ไปไปเยี่ยมเพื่อนเก่านะอดีเพื่อนเก่านะไปคุยกับเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเมื่อไม่นานนี้เขาเพิ่งยัมีคนชวนไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกเองสิบวันนะไปสวนโมกมาสิบวันนะแล้วก็นะถามไปไงบ้างเขาบอกว่าอนะ่เขาเขาบอกว่าเขา เขารู้ส like ึกว่ามันมันก็มีแต่ความสงบหรือไม่สงบเท่านั้นเองมันเหมือนกับว่ามันไม่เคยได้รู้อะไรมากกว่านั้น่ะอ่ามันมันมันก็รู้สึกมันไม่เคยก้าวหน้าเท่าไหร่นะเพราะมันมันแค่บางครั้งมันก็สงบบางครั้งมันก็ไม่สงบมันก็ไม่เคยได้ว่ามีอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่พอดีก็รู้เพราะว่าเนี่ยมันมันน่าจะเขาทําทั้งนี้มันน่ายังไม่ถูกต้องนะก็รู้สึกมันต้องมีหนทางอีกทางนึงนะพอดีเพื่อนคนนี้เขามีหนังสือของหลวงพ่อคำเขียนพอดีมีหนังสือตัตตา มาให้เขายืมอ่านนะเขาก็เลยมาเอามาอ่านดูเขาบอกว่าเนี่ยเขาเลยหยิบหนังสือมาให้ดูนะอ่านอยู่ครึ่งเล่มเลยเล่มใหญ่เลยตาตาเขาบอกาเนี่ยก็ <c oughs> ยังไม่รู้จักลงพ่อคาเขียนเลยแต่ก็อ่านรู้สึกว่ามันมันดีก็บอกแนวเนี่ยเป็นแนวที่ถูกต้องอเป็นแนวที่เรียกว่าทําให้เขามีสติแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้ด้วยทา ง, ท, างทั้งประเทศก็ยังไม่ ไ, ไปปฏิบัติธรรมอะไรเลยก็อ่านหนังสือว่า ม, มันถูกต้องแล้วเนี่ยหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยก็เลยบอกเนี่ยอ่าเนี่ย ต่อมาเนี่ก็ไปลูกศิลป์มําเขียนเองนะฮะเขาเป็นอยากรู้นะเพราะว่าไม่ได้เจอตรงนานแล้วเขาก็ก็ <c oughs> เลยดีใจบอกว่าไว้มีโอกาสก็ยังมาวัดป่าสุขโตนะเขบอกว่าเนี่เป็นแนวที่ถูกต้องทั้งท่านนี้เขาก็ไม่ได้เข้าปฏิบัติธรรมเลยแต่เขาก็มีปัญญานะเขารู้ว่าตรงไหนมันมันมันเป็นหนทางที่เรียกว่าทําให้เขา้าก้าวหน้าในทางธรรมได้อันนี้ก็ถือว่าเอออันนี้เขามีปัญญาอยู่นะไม่งั้นบางทีไ ป, ไปปฏิบัติสมาธิแล้วถ้ามันเกิดความส ง, งบก็ไปติดก็มีนะติดความสงบอ่าติด ความนิ่งน่งติดความเฉยเฉยคือความสงบก็มีความสุขมันก็มีปิติมีความสุขอยู่มันก็ไปติดอยู่เพราะบางคนก็ไปติดสมถาก็คือติดความสุขพอติดความสุขแล้วอ่มันเมื่อมันติดแล้วตรงนั้นก็ไปหาความสุขเมื่อไม่ได้ความสุขอีกก็หงุดหงิดนะบางทีมันใสบัรแล้วมันไม่ได้ตรงนั้นมันหงุดหงิดมันทีก็กลายเป็นขัดเคืองเป็นโทสะไปก็มีนะอ่า มันก็กลายเป็นว่าไปบัตรแล้วกลายเป็นโทรศท์ไปก็มีเพราะมันมีความอยากได้มีความตั้หาในตรงนั้นอหรือพอไม่ได้มันก็ขัดเคืองอีกว่ามันเมื่อวานเราสงบวันนี้ไม่สงบก็ไปหาความสงบมันก็ขัดเคืองแล้วมันก็ไม่ได้เดินปัญญาอะไรเลยเนาะคราวนี้เรามาปฏิบัติในแนวจริตรสีนี่แหละมันมันจะเกิดปัญญาอยู่บ่อยๆนะะเราก็เห็นความจริงนะเราไม่ได้ไปไม่ได้เอาว่าเออมันจะต้องดีถาวรต้องมีความสงบอะไร มันก็เพียงแต่ว่าเรารู้ไม่ทําความเป็นจริงเท่านั้นเองใช่ไหมสงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันมันดีกว่าแต่ถ้าเราไปวัดแล้วมันต้องสงบนะอ่ามันก็ต้องไม่สงบแน่นอนนะเพราะจิตระบังคับก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็คิดไปนู่นไปนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่าครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าเออไปบัติ ว, วิธีเจริญสตินะไม่ต้องเอาความสงบหรอกเอาแค่รู้รู้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราก็รู้นะตรงเนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันง่ายใช่ไหม เพราะนั้นวิธีการเ <c oughs> จริญสติมันมันจึงเป็นสิ่งทง่ายมากนะมันเหมือนไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่นั่งสมาธิก็ต้องไปหาที่นั่งสมาธิอตามป่าตามเขานะหรือว่าตรงที่เ ง, เงียบๆแต่ว่าเราเจริญสติเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราเจริญตรงไหนก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมในบ้านเราเองก็ได้ในแม้แต่ในอ่าสถานที่ต่างๆตลาดหรือว่าศูนย์การค้า หรือตามที่ทํางานต่างๆก็ยังได้เลยนะตรงนี้มันมันก็ทําได้ลุกแห่งเพราะเราไม่ได้ความส ง, งบใช่ไหมมันจะต่างกันถ้าเร า, เาความส ง, งบก็ต้อไปอยู่ที่เงี ย, งยบๆที่สปายะอ่าที่มันไม่มีใครรบกวนอืแต่ถ้าเราไม่ได้ความส ง, งบมันก็ง่ายนะที่ไหนที่ไหนก็ได้อ่าเราก็ทําในลุกุกแห่งนะเพียงแต่เราก็เปลี่ยนอุปนิสัยเอจากการที่เขา คือการที่เขาเพลินๆไปในลมต่างๆนะไปในความคิดเพลินๆในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกลับมารู้สึกตัวเท่านั้นเองกลับมารู้ว่าขณะนี้ปัจจุบันก ำ, <c oughs> กำลังทำอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะเนี่ยมันกลับมาแค่นี้เองอ่ะยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่นั่งนอนลูว่นอนอ่าผู้แขนเหยียดแขนเข้มงวดดืมกินพูดคิดเหลวซ้ายแลงขวาเดินหน้าถอยหลังบุจรละปัสสวะเดิมลิ้มกินเคี้ยวก็กลับมารู้สึกตัวในขณะนี้ว่ากําลังทำอะไรอยู่ นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยง่ายไนงะมันง่ายเพราะว่าเราทําได้ในจิตใจวันของเราอยู่แล้วนะไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะไม่ต้องไปหาสถออานที่ปฏิธรรมอยู่ไหนแต่ว่ากายและใจเราในหนาคือสถานที่ปฏิธรรมอยู่แล้วนะเรามีกายมีใจกันทุกทุกคนนะตรงเนี้ยเราก็ทําได้อยู่ตลอดใช่ไหมกายเราก็ยืนเดือนั่งนอนก็รู้ทันใจนึกคิดอะไรมีรมต่างๆเกิดขึ้นก็รู้ทันแค่นี้เอง ออืจิตก็ไหลไปก็รู้ทันนะจิตก็ตื่นตัวขึ้นมานะตรงเนี้ยออืถ้าเรารู้ทันความคิดบ่อยๆมันก็จิตก็จะตื่นตัวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆการที่จิตตื่นตัวเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นหนทางของการปฏิบติธรรม <c oughs> อย่างเมื่อสักประมาณอล า, ปล า, ป, ล า, ป, ลาปลายปีที่แล้วก็มีโอกาสแบบลมกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มเนี่ยเขาเป็นเป็ น, ปนกลุ่มที่เขา ่าฝึกสมาธิมาท่านทั้งนั้นเลยท่านไม่มีใครฝึกเจริญสติเลยคระ้ น, นี้มันก็หนักใจโอ้กลุ่มนี้นะจะทําไงดีนะมันฝึกสมาธิมาเยอะแล้วไม่มีใครท่านไม่มีใครฝึกเจริญสติเลยการที่จะให้เขาเจริญสติมันก็ยากอยู่แล้วแล้วแล้วก็ยังติดสมาธิต่างหากก็เลยเออต้องทํามันก็รีบตื่นตื่นตัวได้ก่อนนะก็เลยเขามานั่งติดติดติดนะับมันติดติตัวให้รู้สึกตัวแล้วก็พูดไปด้วยอืม เตะเตีอยู่สักครึ่งกี่มองกรถามเนี่ยเรารู้รู้สึกตัวไหมอ่าก็อบอกบางคนก็เริ่มรู้สึกตัวได้แล้วนะอะมีใครจิตตื่นรู้บ้างก็มีหลายคนยกมือนะเออจิตตื่นรู้ได้แล้วนะอ่าอันนี้คนนี้เริ่มจิตตื่นรู้แล้วคันนี้ก็เริ่มง่ายแล้วแสดงว่าเเริ่มเข้าใจแล้วเออมาจิตตื่นรู้ไปยังไงรู้สึกตัวไปยังไงนะ <c oughs> เพราะว่าต้องให้ก็เห็นของจริงก่อน <c oughs> ไม่เห็นของจริงนี่พูดไปเขาก็ไม่ไม่อยากฟังเราไม่อยากไปบัอืบเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปนั่งสมาธิกันอีกเราปล่อยไปทํำนะเฉยเฉ ปอไปปฏิบัติธรรมเองตรงนี้แอบนั่งสมาธิแน่นอนเพราะว่าที่มันก็ว่งางขวางนะ <c oughs> พอหลังนั้นแล้วก็ค่อยๆให้ก็รู้สึกตัวให้ได้อนะสร้งางจังหวะก็รู้สึกตัวไปอนะอะไรอย่างนี้นะเดินยกมืก็รู้สึกตัวไปนะพอหลังได้พูดแล้วเขาเข้าใจแล้วฝึกปฏิบัติรรมไปแล้วก็ปล่อยเขาไปปฏิบัติธรรมเองต้องไปคอยแอบดูมีใครแอบนั่งสมาธิไหมก็มไม่มีใครแอปนั่งสมาธิเลยโอ้รู้สึกว่ามันดีมากนะเพราะ <im it> ว่าเคยอบรมกลุ่มไม่คายเงี้ยก็จะแอบนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆนะแต่ตอนหลังเออพระเขา <c oughs> เข้าใจแล้วเขาก็ไม่ไปนั่งสมาธิกันนะอ่แสดงเขาเริ่มเข้าใจแล้วนะแล้วหลังนั้นภอวนอันสุดท้ายเขาก็เออเขาก็เข้าใจแล้วเขาบอกว่าเออมันนี้มันก็ดีนะง่ายด้วยถูกต้องคือมันทําให้เขาเห็นอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะถ้านั่งสมาธิบางทีมันก็ไม่ไปกดอารมณ์เอาไว้กดอารมณ์ไปบไางไม่ดีก็ <c oughs> ไไก็จิตฟุ้งซ่านก็ทําให้เขาหายฟุ้งซ่านจิตไม่ดีก็ทําให้เขาดี หรือไปกดอารมณ์ความโกรธต่างๆอารมณ์ไม่ดีก็ค่อยไปกดเขาให้เขานิ่งๆเอาไว้เนี่ยแต่พอตอนนี้เขาก็ปล่อยปล่อยเขาก็เห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดเจน <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไม่ดีนะมันพอปล่อยปุ๊บเนี่ยบางคน <c oughs> บางคนที่ฝึกสมาธิมนานานๆเนี่ยมันปล่อยแล้วมันก็จะไม่ดีมันไม่ได้กดเอาไวน้นะมันปล่อยออกมาปุ๊บ ม, มันก็มีอารมณ์ต่างๆเยอะแยะ <c oughs> มันก็ฟุ้งซ่านบ้า ง, างใช่ไหมแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆ อ่ามีว่าไม่พอใจมีอะไรมันมีอยู่แล้วน่ะแต่ไปกดไว้่ปล่อยมันก็ออกมาได้เต็มที่แต่พอไปเห็นก็มันออกมาปุ๊บมันก็เลยระบายมาระบายมาปุ๊บมันก็เลยสบายนะมันรู้สึกน่าสบายขึ้นหลังได้ปรับตัวได้ก็กลายเป็นประบาดสบายๆก็ไม่ได้ไปกดอะดมแล้วก็ทําเล่นๆทํำสบายะก็เลยเข้าใจกันเยอะเลยนก็เลยเออมันดีมากนะดีมากก็าก็สนใจบางคนก็เริ่มมาวัดป่าสู่โตกันเนาะเนี่ยเพราะะั้ถ้าเรา เข้าใจแล้วนะการมาเจริญตีนมันเป็นสิ่งที่มันง่ายมันไม่ยากแล้วเราก็ทําได้ตลอดเวลานะอ่ามันไม่ต้องไปคอยควบคุมอารมอะไรเลยให้ให้เรารู้ไปตามที่เขาเป็นเท่านั้นเองนะมันก็ไม่เป็นไรเมื <c oughs> ่อเราควบคุมก็ไม่ได้หรอกบังคับก็ไม่ได้ออย่าคิดนะบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้นะอย่าโกรธนะบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้แต่ไปเจริญสมาธามันต้องไม่บังคับ้็หมดเลยอย่าคิดอย่าโกรธอย่ารักอย่าชังอันนี้มันไปกดเข้าไว้ อันนี้มันมันมันก็เป็นผลทางเนินช้านะเพราะมันกว่าจะเห็นวิปัสสตาจริ ง, รงๆว่าราบังคับก็ไม่ได้แต่มันมันเนินช้ามากแต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วบังคับก็ไม่ได้นะเราก็รู้ไปตามความจริงนี่แหละตรงนี้มาจจิตเขาเรียนรู้บ่อยๆนะเขาก็จะเกิดการปล่อยกันวางก็เห็นรว ม, มเป็นเรื่องธรรมดานะสมัยก่อนความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีนะมันก็ก็เห็นว่าความโกรธก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองนะเขาก็มาแล้วก็ก็ไปเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานานนะเขก็มีสภาวธรรมที่เกิดแล้วก็ดับ เนี่ยตรงนี้มันเกิดปัญญาในตรงนี้นะมันก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันก็โกรธหรือมันไม่โกรธมันก็มีสภาวะหนึ่งเหมือนกันก็คือความไม่เที่ยงเหมือนกันนะบังคับก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ค่อยๆเกิดปัญญาตามมานะมันเกิดปัญญาตามมามันก็รู้ความจริงบ่อยๆในภาวะธรรมนี่แหละมันเป็นสิ่งเราบังคับก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยเข้ามาแล้วก็ไปทั้งหมดนะไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีสภาวะธรรมที่แน่นอนที่เที่ยงแท้อที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างได้นะ มันเห็นอารมณ์ต่างๆเรานี้ได้มันก็จะเริ่มปล่อยอารมณ์แล้วมันก็มันก็ไม่ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆมากมายนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยอารมณ์แล้วความโกรธมันจะมากขึ้นมันไม่มันไม่มากขึ้นหรอกเพราะการที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจิตมันเริ่มจํำภาวะธรรมได้เองมันจะจําได้ว่าเอออความโกรธมันก็เป็นความทุกข์นะหรืออารมณ์ต่างๆไม่แต่อารมณ์ที่ดีๆความรักก็เป็นความทุกข์นะเพราะพลังก็ไม่เที่ยงคนไข้ที่ผ่านอารมณ์นี้มันเห็นเรื่องความสุขเป็นเรื่องธรรมดาเลยมาก่อนมีความลุขแล้วก็ดีใจ อ่ดีใจมากแต่ตอนหลังเรเห็นความสุขก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเขาก็าไปละเขอยู่เราไม่นานนะเราดีใจใครยกย่องเราสรรเสริญเราเรามีความดีใจเมื่อก่อนเราก็โอ้ภูมิใจตัวลอยนะอันเนี้ยเรารู้ไม่ทันนะแต่ตอนหลังเราเข้าใจเ อ, อ็ความดีใจมันก็ไม่ไประโยชน์นะนก็แป๊บเดียวก็ไปแล้วมาไม่มาหาความสุขทําไมนะบางคนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะเสียเงินเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแส น, แสนก็มีใช่ไหมไปเนี่ยบางทีมีความสุขแป๊บเดียว มีความสุขสนุกสนานไม่กี่วันเสียเงินตั้งเป็นสนแสนๆนะกลับมาไม่กี่วันลืมแล้วลืมหมดเลยนะมันเป็นความสุขแั๊บเดียวดาเธอเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาม า, <c oughs> มาเข้าใจธรรมะในตรงนี้เราบังคับก็ไม่ได้นะเข้ามาแล้วก็ไปมันจะไม่แสวงหาความสุขแบบสมัยก่อนแล้ว <c oughs> บางทีคนก็ชวนเราไปเที่ยวต่างประเทศนะบางทีไปชวนไปเที่ยวปีๆก็ยังไม่อยากไปเลยมันเป็นเรื่องเสียเวลาจริงๆยังไปไปทำไมเป็นความสุขแั๊บเดียวนะ บางทีชวนเราไปทานอาหารดี ๆ, ๆที่อร่อยๆ <c oughs> เสียเวลาเดินทางก็ไม่ไปไปทานทำไมมีความสุขแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วมันไม่ได้ไปติดอารมณ์เลยตรงนั้นเลยมันเป็นได้์สไหลายจริงๆ <c oughs> บางคนทำไมก่อนหน้เป็นคารวะก็ไม่ชอบไปดูหนังนะเอาหนังเรื่องนี้สนุกนะเสียเงินต้องเยอะๆเนาะเสียเวลานั่งรถไปรถมาอสามสี่ชั่วโมงดูหนังอีกสองชั่วโมงนะอะไรเนี่ยเสียเวลาไปวันวันไปมีความสุขแป๊บเดียว <c oughs> ตอนหลังคนเดียวใจนะจะไปดูทําไมไม่มีประโยชน์เลยนะมีความสุขแั๊บเดียวแล้ลืมไปก็หายหมดแล้วความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะอะหรือใครสมัยก่อนเป็นคารวา น, นะ่ะชวนไปเที่ยวบาร์เที่ยวครับอไปดูหนังฟังเพลงอไปฟังเพลงไปเต้นลํามีความสุขนะอะมีความสุขสนหรับคนงานเพลิดเพลินนะแต่ตอนหลังเข้าใจธรรมะแล้วก็มีความสุขแั๊บเดียวไปทำไมมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันไร้สาระก็ไม่ไปะ <c oughs> พระตรงดินเมื่อเข้าใจธรรมะมันก็วาง วางคือวางความเพลิดเพลินได้เองะวางความอยากได้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานก็วางไปเองนี่คือการวางตันหาเลยนะเมื่อวางตันหาแล้วเนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากเมื่อวางตันหาจิตใจมันจะคลายออกจะจางออกก็คือมันคลายออกนั่นเองนะคลายจากตันหาคลายจากความยึดมั่นถือมั่นการที่เราจะไปเพิ่มในอารมณ์ต่างๆอันนี้คือการมาตันหานตรงนี้มันก็คลายคลายจากการการจาก การไปตันหาซึ่งเป็นสมุทไทยคือสายแหตุการเกิดทุกข์นั่นเองสมุทไทยเนี่ยเป็นสิ่งต้องละใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราละตันหาได้เนี่ยมันก็ละสมุทไทยเมื่อละสมุทไทยได้นะมันก็สู่การพ้นทุกข์ได้นั่นเองเนาะเพราะเมื่อใจมันคลายแล้วมันก็ไม่ได้ไปแสวงหาแับสมัยก่อนแล้วมันก็มีความสุขนะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่วัดก็ได้อยู่บ้านเฉยๆก็ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องดูหนังฟังเพลงก็ยังได้เลยใช่ไหมใจมันไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหา ความสุขแบบสมัยก่อนแล้วนั่นท่านอยู่นิ่งๆมันก็ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็รู้รู้กายรู้ใจนี่แหละที่มามันก็กลับมาอยู่กับตัวกับตนกับตัวเรานะเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนที่บรรลุธรรมได้เร็วนะคนสมัยก่อนไม่ต้องมากเมื่อสักเจ็ดแปดสิปีก่อนครูบาอาจารย์ท่านบรรลุธรรมเยอะแยะเป็นภริยเจ้าก็มีมากมายเพราะว่าท่านก็ท่านก็ไม่ได้ไปแสวงหาความสุขต่างๆนะท่านก็อยู่กับกับสภาวะที่คนชนบทสมัยก่อนนั่นแหละสมัยก่อนถ้าจะไม่มีโทรทัศน์นะ อโทรทัศน์อะไรต่างๆก็ไม่มีท่านก็ไม่ได้ไปเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิต ท, ท่านก็ไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะแล้วท่านก็ไม่ได้รู้มากมายไม่ต้องไปอ่านหนังสือมากมายตำรามากมายยิ่งคนรู้เยอะไปติดตำราติดหนังสือติดธรรมะมันก็กลายเป็นว่าเราฟุ้งในธรรมไปนะมันก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นท่านก็กลับมาอยู่กับใกล้กลับใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปมีสิ่งที่มันไปให้ไหลเพลิดแบบสมัยนี้เนาะ <c oughs> เพราะนั้นท่านก็เลยบรรลุธรรมได้เร็ว <c oughs> แต่คนสมัย น, นี้มันก็มีหาเครื่องเพลิพนๆได้เยอะนะยิ่งสมัย น, นี้บางทีอยู่ในป่านในเขาอยู่ในบ้านตัวเองก็ดูหนังฟังเพลงได้ง่ายๆเลยเพราะมันมีทุกอย่างมาในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะมา <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นสิ่งเสีเวลานะครูบาอาจารย์บอกว่าออ <c oughs> อันบางทีเรียกว่ามันอันตรายจากสิ่งที่เป็นอินเทอร์เน็ตนี่แหละท่านบอกว่าเป็นบางทีก็เป็นมารตัวใหญ่เนาะมันก็ต้องกลับมารู้ทันเออเราไหวเพลินๆได้ไหม <c oughs> เคยไปในอารมณ์ต่างๆไหมในตรงนี้มันเมื่อกลับมาได้บ่อยๆแล้วจิตก็ร <tan> ู้เท่าทันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ไปติดในอะไรนะไม่ไปติดในกิจยานก็ไม่ไปติดในสภาวะใดๆด้วยมันก็ก็ไปติดในธรรมะต่างๆอีกต่างหากก็เลยเสียเวลานะบางที่เรารู้กายรู้ใจก็คือธรรมะมันตัวใหญ่แล้วบางทีเว่าเออที่เราต้องอินเน็ตเพราะเราต้องแสวงหาธรรมะต่างๆเยอะแยะนะมันก็เป็นสิ่งทดีแต่ก็กลับมารู้กายรู้ใจเราอีกนั่นแหละเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นนะ มันก็ใช้เป็นมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มันสําคัญแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เสียเวลาเป็นวันๆหนึ่งใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกว่าเออมันก็เป็นเป็นเป็นมาตัวใหญ่ใช่ไหมต้องรู้ให้เาทันนี่ยก็คือกลับมาที่รู้กายรู้ใจแล้วนี่แหละสําคัญมากกลับมาเห็นกายและใจในไปบันเห็นเป็นพระไตรลักษณ์ได้นะเห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาตรงนี้ก็แสดงตรงนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาเนี่ยอยู่ว่าเราบังคับก็ได้ไหม อถ้าเราเห็นว่าเขาบังคับก็ไม่ได้นะตรงนี้มันก็จะเข้าถึงธํามาได้เร็วนะมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะเราบังคับเขาไม่ได้ทั้งหมดนั่นหละเขาจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตนั่นเองนะแต่ถ้าเราบังคับเขาได้ตามเราต้องการนะมันก็กลายเป็นว่ามีตัวมีตนเราอยู่เบื้องหลังเราไปบัตแล้วเราบังคับเขาดีให้เขาให้เขาไม่คิดให้เขาสงบให้เขาดีตามเราต้องการมันก็มีตัวเรามีตัวเราแฝงอยู่ทั้งนั้นนะมันก็เสียเวลา เสีเวลาในการที่มาติดในตัวตนนี่แหละว่าเราบังคับเข้าได้นะเพราะนั้บางทีเราไปบัตรธรรมันต้องนานแล้วกนะ็มีความทุกข์อยู่เลยนะมันมีความทุกข์ก็เลรเพราะเราอยากจะดีนะอยากจะดีอนะไปวัตทํารมมันไม่ได้เราดีนะให้เห็นความจริงดีกว่าใช่ไหเพอเราอยากดีปุ๊บก็ให้เขาเป็นไปตามต้องการต้องให้มีสติทุกกวัน <c oughs> ต้องไม่หลงต้องไม่โกรธไม่รักไม่ชงังนี่แหละคือการจะดีนะอันนี้เมื่อเจะดีปุ๊บก็คือความทุกข์นั่นเองก็คือตัณหาตัวหนึ่งอ่าตัณหาในความ เป็นปัจันหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายแหล่เมื่อเราเจอความโกรธแล้วก็ไม่พอใจอีกไอ้ความโกรธมันไม่ดีนะก็อยากจะพักไล่ใส่ส่งเขาไปนี่ก็เป็นวิปปัจจันหาก็คือกายไม่อยากได้ไม่อยากมากีไม่อยากเป็นนะเพราะงั้นครูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้เรารู้เฉยๆได้ไหมรู้ซื่อๆได้ไหมเนี่ยตัวนี้มันสาคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เฉยๆรู้ซื่อ ๆ, ๆก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้มันสําคัญมากไม่เป็นไรเออมีความโกรธขึ้นก็ไม่เป็นไร มีความรักก็ไม่เป็นไรหลงก็ไม่เป็นไรคิดก็ไม่เป็นไรตัวนี่มันสําคัญมากเพราะเราเห็นว่าไม่ไม่เป็นไรนั่นแหละเราบังคับกาไม่ได้แล้วก็คือเรายอมรับความจริงยอมรับความจริงในภาวะธรรมในปัจจุบันก็คือยอมรับนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับทั้งหมดเมื่อจิตเกิดการยอมรับแล้วจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางเองนะทุกอย่างนั่นแหละถ้าเรายอมรับก็จะปล่อยจะวางแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันก็เกิดการต่อต้านการต่อต้านก็คือการให้ค่าเขาเมื่อให้ค่าก็จะเกิดการยึดติดเกิดเมื่อทานในตรงนั้นนะ ความจิตที่มันคลายออกก็คือการไม่ให้ค่าไม่อะไรกับไรมันไปนะตรงนี้มันเป็นการคลายออกได้นะเราผู้อาจารย์ถึงทํามาแล้วต้องเป็นกายเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเป็นแค่ผู้ดูมันเท่านั้นเองนะไม่ไปยึดติดไม่ไปอะไรกับมันเลยท่านก็ไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นการไม่ให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างก็คือการไม่เป็นอะไรกับไรนั่นเองนะไม่ให้ค่ากับตัวเราก็คือไม่ได้เป็นอะไรกับตัวเราไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เป็นสัตว์หรือคนตัวเราเขาไม่ได้เป็นพระเป็นโยมนะมันไม่ได้ไปให้้ค่ากัรงนน แล้วก็ไม่ใ้ค่าการลมต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจเราเมื่อไม่ข้ามก็คือมันก็ไม่อะไรกับอะไรเหมือนเป็นนั่นเองคนะมันก็เป็นการปล่อยการวางเป็นตัวอยู่แล้วนะตรงนี้มันการที่เราว่าเราเอาอกจากอุบทานได้นะความไม่อุบัทานก็คือการยึดติดนี่แหละยึดติดว่านี่เป็นตัวเรานะ <c oughs> เป็นตัวเราเพราะนั้นใครจะมากร ะ, ะทบเราไม่ได้เขายัมาด่าเราไม่ได้เขายัมาว่าเราไม่ได้นะใครจะพูดในทางไม่ดีกับเราก็ไม่ได้นะในมันมีตัวเราแฝงอยู่มีตัวเรา อ, อยู่เบื้องหลัง แต่เมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็วางได้มันใครจะมาอะไรเราก็ไม่เป็นไรอใครจะมาด่าเรามานินทาเราบ้างก็ไม่เป็นไรมันเป็นเครื่องที่เรียกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันได้ดูว่าเรายังมีอยู่ความยึดมั่นอะไรอยู่ไหมเนี่ยมันมีความยึดมั่นทุกคนน่ะแต่อยู่ที่เราไม่ให้ค่าก็ได้ไหมเนี่ยไม่ว่าใครจะด่าเราเราไม่ให้ค่าเลยมันก็เป็นไม่ได้หรอกมันต้องมีตัวตนอยู่แล้วทีนีเราต้องรู้วบ่อยเท่านั้นเองรู้เท่าทันรู้บ่อยๆเออตอนนี้ไม่มีตัวเราเกิดขึ้ลนะรู้เท่าทันไป อมีตัวเราเกิเรารู้เท่าทันไปในตัวเราก็ค่อยๆเล็กลงน้อยลงก็เรารู้แล้วละว่าเราเริ่มรู้ทันและไม่มีประสบการณ์ในการที่เรกว่าเราเริ่มรู้ทันความมีตัวตนแฝงอยู่เบื้องหลังจะค่อยๆเห็นแล้วไม่มีตัวตนแล้วนะมีส่วนได้ส่วนเสียนะมันค่อยๆสังเกตเห็นเมื่อสังเกตเห็นแล้วมันจะเห็นในตรงนี้ว่าตัวตนเนี่ยมันยึดมั่นอยู่นะแล้วเมื่อมันเข้าใจแล้วมันจะค่อยๆปล่อยได้เองนะมันค่อยๆปล่อยค่อยๆวางได้เองเหมือนกเราใหม่ๆแล้วก็ทําคณิตศาสตัยนะมันทําถูกทําผิดอยู่ตลอดเลย แต่เมื่อเรามีพื้นฐานคือบุกรพุญฐานได้คล่องบุกรบุญฐานนี่แหละคือผู้ที่เข้าใจพะระไตรลักษณ์เมื่อเข้าใจพะระไตรลักษณ์แล้วเหตุการณ์ต่างๆก็คือคือคณิตศาสตร์ทุกข้อเนี่ยมันต้องมีการบุกรบุญฐานทุกทุกข้อเมื่อเราเข้าใจในพระไตรลักษณ์แล้วเราสามารถที่จะนําพระไตรลักษณ์เนี่ยไปเข้าใจในทุกพระธรรมได้ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ตัวไม่ตนมีเสือความไม่เทียงเป็นทุพนิจตา เมื่อจิตมันเข้าใจตรงนี้มันมันก็เข้าใจในบุคลบุญหานมันสามารถไปแก้ทุกได้ดูกปัญหาเลยเมื่อแก้ดูกปัญหาเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เข้าใจปไตยรักเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจปัตยรักก็คือหน้าตาความไม่ตัวไม่ตนแล้วมันก็จะวางมันเองนะตรงนี้มันจะค่อยวางด้วยความเข้าใจของมันความเข้าใจด้วยใจนี่แหละมันมันสำคัญมากเพราะนั่นเราเข้ามาถึงใจอย่างจริงๆปไตยรักเนี่ยความไม่ตัวไม่ตนต้องเข้ามาสู่ใจอย่างจริง มันเข้ามาสู่ใจจริงๆแล้วมันเรื่องธรรมดานะอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาหมดก็ไม่ให้ค่าเท่านั้นเองมันก็ไปก็ผ่านไปแต่เมื่อไรเราให้ค่าต่างๆมันก็กลายเปมันก็เป็นติดเป็นยึดแต่เมื่อเราใส่ใจบ่อยๆเราจะรู้ว่าเราติดตรงไหนบ้างนะมันก็เรืออย่างทะเลเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีไม่มีร่องทะเลมันก็จะจมน้ำโดยบ่อยนะเรือไปชนเกาะแก่งไปชนต่อใต้น้ําเรือก็จะจมแต่เมื่อเราเดินเรือบ่อยๆล้วรู้ว่าตรงนี้มีร่องน้ํานะมันไปไม่ได้ตรงนี้มันร่องน้ําไปได้ จิตที่มันเข้าใจธรรมะมันก็เข้าใจแบบนี้นั่นแหละมันรั้วลองนี้ไปได้ลองนี้ไปได้ในสมมมันก็ออกสู่ทะเลได้คือความพ้นทุกข์ได้ฉันใดจิตที่เข้าใจสภาวะความเป็นจริงมันไตรักแล้วก็คือความไม่ยึดมั่นถึงมั่นนะอย่างที่เราสะเพยธรรมานารังพิเนวัสายะทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยตรงนี้เมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะเอาจากความทุกข์ออกสู่ทะเลพ้นจากความทุกข์ได้ฉันนั้นเนาะเพราะในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบามีคุณบระไกร น้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลรติสมาธิปัญญาและถึงซึงความพืทุกท่านโดยเลยพระทุกท่านเถิด